คการดื่มสุรายาเมา 2. การเล่นการพนัน 3. การเที ana, <Huh> am, h, ่ยวกลางคืนหรือการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆมหรสพบันเทิงต่างๆ4การคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตรและ 5. ความเกลียดคร้านนี่เป็นกิจกรรมหรือการกระทําที่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 การดื่มโซดา ห, หรือการเสพอบายามุขนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความเครียดไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุขกลับจะเป็นวิธีสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมากขึ้นไปเสียอีกออวิธีที่จะแก้ความเครียดนั้นต้องมาแก้ที่ใจเพราะต้นเหตุของความเครียดนั้นอยู่ที่ใจ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 สุระชอบอบายามุกแต่เรียกว่าครบคนผ่านคนผ่านก็คือคนโง่คนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้ว่ากิจกรรมที่ทํานั้นมีคุณมีโทษอย่างไรเรียกว่าคนผ่านตรงกันข้ามกับบัณฑิตบัณฑิตนี้เป็นคนฉลาดเราใช้บัณฑิตกับนักศึกษาที่จบปริญญาเป็นผู้นี่มีวิวิชาความรู้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 ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้และไม่มีโทษตามมาจากกิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมที่ท่านสอนให้เรามาแก้ความเครียดกันก็คือให้เรามาทำบุญทำทานกันให้มารักษาศีลกันให้มารภาวนากันให้มาฟังเทศฟังธรรมกันนี่คือกิจกรรมที่สำคัญ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 มีประโยชน์มากน้อยต่างกันทำบุญก็จะพาให้เราไปสวรรค์ทำรักษาศีลก็จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดนอบายถ้าภาวนาได้ก็จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงละจะทำให้เรานี้ตัดความอยากเลิกความอยากต่างๆได้หมดความอยากได้ลาบยศสรสเสรญความอยาก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 แต่ยังต้องกลับไปเกิดเป็นพรหมอยู่แล้วส่วนพระอาหารหันต์นี่ก็ไม่ไม่เกิดเป็นพรหมเลยจะไม่เกิดเป็นอะไรทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระอริยบุคคลโยมเอ๋ยอะไรถามไหมถามได้พระโสดาบันละกิเลสได้สามตัวคือค อ, ค อ, อะไรเจ้าคะ่ะคือสามโยมนี่ก็คือกิเลสที่หนึ่งสักกายทยิติความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราเช่นนั่งกายความรู้สึก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 ถ้ามมนได้ช่วยด้วยความอยากเขาไม่พ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาต่างกัน ถ, กถ้าไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากจะสอนพวกเราแต่เห็นว่าการสอนพวกเรามันเป็นประโยชน์กับพวกเราท่านก็เลยยอมอก็เลยสอนแต่ถ้าไม่หวังอะไรจากพวกเรา <indem. S 1> ถ้ามีความอยากแล้วมันจะหวัง <hoş. S 1> อยากให้ก็ทาอย่างนี้พอก็ไม่ทําก็โกรธเสียใจใอันนี้มีความอยากแต่ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่เสียใจ